เวลาปฏิบัติต่อตัวเอนก็ก็กแบบเดียวกันนี่เพราะเป็นธรรมเราจะให้กิเลสเป็กี่ยวย่างทำลายหัวใจอยู่ตลอเวลาเพราะความไม่มีทําได้ยังไงเราเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมเราทำเป็นหลักใจอยู่เสมอจะฝึกจะเครื่องหนักเบามากน้อยให้มีธรรมเป็นเครื่องทำมาตามฝ่ายเหต บังคับบังคาจิตใจอยู่เสมอเพอราะท่านก็ทราบแล้วว่ากิเลสกับธรรมนั้นเป็นค่าสุดกันในเมื่อจะแก้ไขดุชัมละกันต้องเป็นค่าสุดกันถ้าม่นอนแก้ไขชำรัะตัวเองกิเลสก็เป็นเจน้าอำนาจไม่มีธรรมเขาแทรกได้เลยอาการทุกอย่างที่ไหลตัวออกมาตั้งแต่จิตถึงวาจาการ พยายามย่ามพูดกำจามันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นผู้ชุดผู้หลักผู้ชักอิเกิดเป็นเหมือนหุ่นนั่นมันมีความหมายในตัวเองอะไรเลยใช่กิเลสเป็นเจ้าอำนาจมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความดีความ ด, คามดีความวิเศษวิโสความสุขความสบ า, ายภาในจิตใจจากกิเลสมันไม่ได้อะไรมีแต่ห ย, ยาดย่ำทำลายลงไปเรื่อย พิจาาให้ซึ้งดีสิมัน น, ะนั่นคือเงี้กววิริยเป็นฆาตสุดต่อความสมบุขหรือเป็นฆาตสุดต่อธรรมเราตั้งหน้าต่างๆมาเพื่อปฏิบททัติธรรมเราต้องยึดธรรมเป็นหลักเป็นกับตายก็ยึดธรรมไม่เป็นหลักยากลําลบากในการแก้ไขดัแดแปลงฤึธิ์ฝึกทรมานตนเองขนาดไหนหเราก็สั่ง เราทำงานเพื่อเราเองพ้นประโยชน์อันนีนามที่เกิดขึ้นจากการปิดทรมานลำบากหนักเบามากน้อยเท่าไหรเป็นของเราไม่ใช่เป็นของผู้อื่นผู้ใดปล่อยทิ้ไม่นำพาวันเวลาเสียไปวันหนึ่งวันน่ล่วงไปเรื่อยๆประโยชน์ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นจากการประกองความภาคเพียร ที่ต่อสู้กับผู้ไม่มีอะไรเลยก็ เ, เท่ากับขาดทุนไปทุกวันการค้าการขายมีแต่ขาดทุนหลังเดียวก็ต้องล่มจบไม่มีใครจะประคองตัวไปได้การต่อสู้แบบใดที่เขาเล่นกีฬากันมีแต่แพ้อย่างเดียวก็ไปไม่รอดเหมือนกัน ต้องปัดการแพ้ปาดการชนะเราแพ้พอเหตุใดก็ต้องนําเหตุนั้นเข้ามาวินิจฉัยก็ทุกคนแก้ไขดับแปลงใหม่เข้าอีกต่อสู้อีกเราแพ้ที่เล็กแต่ก่อนเรานั้นไม่เคยสู้เราหมอบรากเขามาในมันยจริงไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่เด็กที่เล็กกับเราเป็นอันเดียวกันมาดั้งเดิมจนไม่มีความรู้สึกสานึกเลยในโลกของเรากว้างแสนกวาง ถ้ามันมีพระพุทธเจ้ามาสแสดงเหตุสแสดงผลถึงเน่ยงนโทษกรรมของกิเลสที่มันทรมานจิตใจสัตว์ก<ะ>็ไม่มีใครจะทราบตลอดถึงวิธีการแก้ไขดัดแปลงปากกามงกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้ดโดยอัตตยธรรมก็ไม่ ม, มีใครจะทราบก็ต้องยอมให้กิเลสหยบย่ำทำลายอยอย่างนั้นตลอะ หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบจะหาทางไหนไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกมันมีอุบายวิธีใดที่จะเป็นความรู้ความเฉลาดโดยกำลังตนเองที่ไม่ได้รับจากค ร, รูจากอาจารย์จากธรรมสอนของเจ้ามาเป็นเครื่องดำเนินเลยใครจะรู้เกิด ม, มาก็เกิดกับจิตเดชอยู่กับจิตเดชตายกับจิตกับจิตเดชวกไปเย็นมามีตแต่เรื่องของจิตเดชทั้งวันในหวัวใจเรา ในรูปในกลายมาก็เพราะเรื่องของกิเลสต่รูปในกลายมาแล้วก็เป็นเครื่องมือของมันอย่างเต็มตัวทั้งหมดเนี่ยผลที่มันติดขึ้นมาก็มีขข ค, ววความทุกข์เดือดร้อนก็ควรจะทราบถ้าเราไม่ทราบมันมีใครทราบเรื่องของกิเลสเรื่องของกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความติดขึ้นมาของกิเลส เกิดขึ้นมาเพราะผลของกิเลสเช่นวิบากขานันของเรานีน่ก็เป็นผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสถึงกิเลสเข้ามาันไม่เข้ามาแทรกมันันก็เจ็บเป็นทุกข์ได้เช่นเจ็บหัวตัวร้อนเป็นธรรมดามันเป็นเกิดขึ้นเป็นธรรมชาติธรรมนืองแต่ก็ฝืนเนื่องมาจากวิบากคือผลของกิเลสให้มาเป็นรูปเป็นกายมาเป็นเรือนรังของโรคเป็นได้เนี่ย ทงานในหลายแง่หลายมุมที่ผู้ปฏิบัตินั่งอมลิ้นทาําไมความคิดถึงเวลาที่คิดต้องคิดสอบแสบหลายแงหลายมุมคิดไปที่มาก็ได้อุบายขึ้นมาลหล้ายวันได้อุบายขึ้นมาแต่และอุบายนี้นเป็นอย่างดีดีความไม่เคยไม่คิ ด, ไ ม, คดไม่สนใจต่อ ต่ภาวนาเพื่อความสงบมันก็ไม่พอจะได้เรื่องความได้สงบเพราะสติไม่มีความมุ่งมั่นมีน้อยความมุ่งมั่นมีมากความเพียรก็เป็นไปตามกันความขยันมั่นเพียรความอดทนความทนก็มีกหลังสำคัญที่ความมุ่งมั่นเป็นหลักใจแต่ความมุ่งมั่นมีน้อยความเพียรเหลือท้งนั้นการตั้งสติ เป็นสติได้ด้วดีก็เพราะความเปลี่ยนเพราะความพอใจในการบำเพ็ญมีเด็เคยฝึกมาแล้วเรื่องหรือราพอสมควรมันกล้าพูดต่อหมูต่อเพื่อนสติเรื่องลูกคู่คราภเม็นหาชิ่นดีแน่ๆก็เคยเป็นแล้วมันยุเหลดมันเหยียบหัวเราต่อหน้าต่อตาทั้งๆ ท, ที่เราสู้กับมันมันเหยียบเราลงอย่างแหลบแบนไปเลย ต่อหน้าต่อตาเพราะกําลังอุบายวิทยาอะไรก็ไม่มีต่อสู้มันได้อย่างนั้นก็เป็นเห็นมาแล้วแต่ยังไงก็ตามไม่มีความมุ่งมั่นเป็นหลักเครื่องดาเนินความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นสําคัญมากทีเดียวมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกมุ่งมั่นต่อผลที่เดียวตัวเองจะผลได้ตังถึงตามความต้องการของตนเมื่ความมุ่งมั่นหรือเข็มทิศตั้งไว้ดีแล้ว สิ่งที่จะส่งเสริมความมุ่งมั่นให้สำเร็จไปเป็นรักเป็นตอนเป็นขั้นไปเช่นความเพียรความวิสายพยายามความอดทนทนหนักเบาเอาสูหนักก็เอาบา ก, ก็าสูกค่อยตามๆกันมาอีกรวมกันก็เป็นพลังมันจะมืดตื่อขนาดไหนก็เถอะ ให้ลงความมุ่งมั่นมีสจําุทึ์ไปเร็วทำเครื่องสนับสนุนคือความภาคเสียอเป็นต้นแล้วจะต้องมีวันสว่างวันหนึ่งจนได้บางทีจนน้ำตาล่วงก็มีแต่ก็ติดสู้มันไม่ได้บางทีเกิดความความนัน้นนต่วาใจขึ้นมาแต่มันไม่นานนะมันเกิดขึ้นมาเที่วข น, ดนัดเพราะวา่าปีเราไม่ทำปัญญาเราไม่ทา ออออกิเลสเหยียย่ำออต่อสู้กับมันสู้มันไม่ได้มันแสดงเห็นต่อหน้าต่อตาจะชัดทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้แต่กาลังไม่มีเกิดความเที่ยวอกเชี่ยใจถู้กิเลสไม่ได้ถ้าเป็นค น, คนเขาเรียกว่าเทียบแสนผูกอาฆาตทันแต่ผัวฆ่ า, าทั้ง ระหว่างทำกับวิรินี่ไม่เป็นราคาเหมือนอย่างโลกเสีอยมันเรกว่ามุก ม, มานะต่อสู้เกี่ยวขบคัใส่กั น, นหลายครั้งแล้ววนี้ก็เอาจนได้เราเคยพูดเสมอนักภาวนานัก บ, บวชเราสรุปลงแล้วคือนักปฏิบัติ ทางจิตหาความสงบไม่ได้แล้วไม่เห็นเลยความอัศจรรย์ของศาสนาคืออะไรอัศจรรยางไเพราะตัวเองมันไม่มีคุณค่าอะไรแล้วจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องรับความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของศาสนาพอที่จะรู้ขึ้นมาภายในใจิตใจรู้ประจักษ์ใจได้มากน้อยหลักมันไม่รู้มันไม่มีเพราจิตมันก็ร้อนอยู่ทั้งดวเหมือนกับ ไฟไม่เกลีดอย่างน้อยก็เหมือนไฟไม่แกรมันสงมันทิงกับลุกคลองแสดงไปออกมาหมู่ว่าหมูบวาหมู่ว่ า, า, ากับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้เพราัน ล, ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องคุนเรื่องไฟของที่เหลือเท้าลอยติดใจให้เดือดร้อนวุ่นวายทั้งวุ่นหวายทั้งนั้นเพรเป็นขน้นเราจะเอาอะไรเป็นของอราชการในจิตมีแต่ไฟ โนยนอะไรเข้าไปก็ไม่หมดโดนยนอะไรเข้าไปก็ไม่หมดม่นพยายามดับด้วยการต่อสู้ของเราเรจนจิตมีความสงบเหลือเย็นขึ้นมานั่นเริ่มเห็นคุณค่าของใจคุณค่าของตบแล้วเริ่มเห็นคุณค่าของสายชงหาไปตั้งแต่จิตเริ่มมีความสงบพอทรงตัวได้จิตใจไม่บ้าวุ่นขุนมัว เจอทราเป็นบ้านเหมือนแต่ก่อนป่าคิดบ้าตรงอันนี้เป็นบ้าอะไรบ้าของนักปฏิบัติเกิดจากความคิดความตรุงความสงสารวาของจิตเราต้องทดสอบบ ว, วกลบ ก, กันเสมอความคิดตั้งจะตื่นขึ้นมานี้มันคิดเรื่องอะไรบ้างคิดเรื่องหลงหลงสงสารซึ่งเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนวินจาก เดียงสาภาวะมาเจนกระทั่งแบบนี้มันได้ผลไปอยู่์อะไรถ้ามันภากภูตแล้วเป็นผลประโยอะไรเพราะความคิดปรุงตามหน้าทของที่เดชที่เฉลยมันทาให้เป็นไปแล้วเราก็ควรที่เห็นโทษของความคิดเหล่านั้นนับคิดแปรเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้นมาเป็นความคิดทางด้านธรรมะ ม, มาเป็นความคิดทางด้านสติทางด้านปัญญาทางด้านความภาพเขียนทางแม่อัตเมทาง ใดก็ตามเพื่อได้สติขึ้นมาด้วยได้ขติได้อุบายขึ้นมาเป็นลําดับลําดาเพราะความคิดปุงมันเป็นปานมากคือเป็นเรื่องของปัญญาหนึ่งเราก็คลิกมัอย่างนีเราเสียดายอะไรกับความคิดมันเสียดา ย, ยาดนะจิตนะเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ปุงขึ้นมาแล้วก็หลอกเจ้าของเลยเจ้าของนั่นแหละลลล ด, ดื่มเนื้อลื่ตัวดูดดื่มไปตามความคิดอนยะ่านั้น จนเพลินไม่รู้สึกตัวเลยทั้งๆ ท, ที่นั่งภาวนาแต่ะละงับความคิดความกรุงขึ้นเป็นเรื่องกอควรจิตใจไมยกลับโกงข้ามใจไปวิ่งตามเขาไปเยอะเหมือนโกงจับเป็นดอกบัวไปด้วยความคิดที่ดอกตัวเองแต่อย่างนี้แล้วมันกม็มีทางสงบได้ต้องฟาดฟันหันแหลกกันลงไป อยาคิดเสียาดายความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสมากน้อยอย่าไงไรให้ทราบว่ากิเลสกำลัเลิกเราจะว่าเป็ความคิดกำลัเลิกที่เฉยมันไม่ถึงใจต้องบอกว่ามีกิเลสกําลังกําังเลิกเวลานี้อ า, ากคิดเรืองนั้นอยากคิดเรื่องนีน้อดีตผ่านมากี่ปีกี่เดือนไม่ทราบว่าผ่านไปถึงไหนแล้วมันยมาปรุงเป็นเรื่องเปนราวหลอกเของด้วยดือนเจ้าของ รับทวนเจ้าของกดถีบังคับของให้ชอบอกราบใจสนใจคิดเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆนี่อย่ากิเลสมันกำเริบนอกจากบังคับสุดลากเข้ามาด้วยสติของเราเอาตายก็ตายบังคับไม่ให้คิดในเรื่องนั้นเป็นอันขาดให้มาคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องฟืนเรื่องไป เขาโดนจิตใจกระเพาะขันที่ความปรุมของตัวเองนั่นแหละเรื่องทั้งหลายแหละก็เป็นเรื่องของจิตเป็นผู้คิปรุมขึ้นมาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ความจรินออกจากจิตที่ทั้งนั้นในส่วนเรื่องจริงจริงไม่ใาบมันหายไปไหนมันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เป็นลมมันเป็นลมยมนั่แรงๆอยู่ภ า, ายในจิตตื่นลมตื่นแรงอยู่ภ า, ายในจิตตัวเอง <S <S เหมือนเขาฉายภาพภาพยนตัวจริงไปไหนก็ไม่รู้มาสายภาพยนใน ใจมันตื่นกันอย่านั้นเป็นบ้ามั น, นมตนื่นเราลองพิจารยณยาหน่้ยมีสติบังคับทกก็ยอมรับว่าทุกย่าถอยหลังอยากปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำไป่ัางคั้งทีสติปัญญามีพอจะต่อสู้กันทราบเสมอว่ า, ากิเลสมักกำเริบอยู่ตลอดเวลา เวลานี้เราจะระงับความคําเลือกของจิตเล็กที่ทําให้คิดปรางในี้่ต่างๆเป็นสิ่งก่อควาจิตใจและเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเพิ่มจิตเล็กขึ้นมาเรื่อยๆพอเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ทางเดินของเราเราผู้ปฏิบัติมีปฏิบัติเพื่อกำจัดจิตเล็กต่างๆไม่ได้มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมหรือคล้อยตามจิตเล็ให้มาเหยียบย่ําทําลายตนได้แก่แหลกเหลวหมดหาชิ้นดีไม่ได้ทางในจิตใจความสงบ มองหาเขาไม่เจอความฉลาดแยกพายมองหาก็ไม่เจอเพราะไม่ได้มองไม่ได้เ จ, อจอดต่อกับสิ่งอยนี้แต่เป็นมองจะไปเจดต่อกับเรื่องของทีง่ซึ่งเคยเป็นมาแล้วเคยทุก ม, มาแล้วแต่กันไหนก็ไม่ยอมเห็นโทษนั่นเองมีหลักสาคัญตรงนี้รทําความเข้าใจกับตัวเองด้ยดีการปฏิบัติธรรมกัการทําความเข้าใจกับตัว ทำตนในสานที่นี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสของตนนั้นเองเอาให้แน่ให้แน่นด้ำเข้าไปด้วนะขณะ จ, จะภาวนาอุบายวิธีใดที่จะยลิกการต่ใจเตือมเพื่อได้สติสตังเพื่อความสงบเยือกเยินก็หาอุบายเอาเออย่าให้แต่คอยแต่ครูบาอาจารย์ยิบยื่ให้ดังนั้นนเป็นสมบัติของท่านถ้าเราไม่ได้ติดขึ้นมาถ้าดยลาําพังเราเองแล้วมันก็นไปไม่รอ มันเลื่อนแ่เยเงีย้งยไหนก็ได้แต่เพราะเงีนั้นถ้าอย่างมากหรือยอย่างนั้นมิฉะนั้นก็หลุดมาหลุดมือไปเชียจะไม่เกิดผลอะไรการที่ตนคนิดค้นหาอุบายขึ้นมาโดยลำพัตนเองมันเป็นสมบัติทั้งปวดแท้แล้วมีการแตกขแขนงสิงการสา้าออกไปเรื่อย ๆ, ๆไม่มีที่สุ้ความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตก็ก็ปรากฏ ข, ขึ้นความกว้างขวางของข สติปัญญาก็ค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปพิจารณาออกไปเรื่อยๆนี่คือทุนเป็นอันเป็นสมบัติของตนเองที่คิดขึ้นมาได้เองผึกกันกับท่านหยิบยื่นให้เป็นอย่างมากทีเดียวนั้นท่านหยิบยื่นให้พอเป็นแนวทางลำมาัดตีกระทุ้กระทุ้แล้วว่ามัดไว้มาตีมตัดนั้นให้แตกกระจายเป็นเป็นขั้นแหน่งออกไปให้เป็นความเข้าใจของตนเองไม่ช่วยปลายใจอื่ นั่นหนักเป็นผลที่หนักเราโดยแท้งานใดจะเป็นหนักยิ้นกว่างานแก้กิเลสงานต่างสมกิเลสความสําคัญของเราไม่ได้ว่าหนักถึงจะหนักเราก็เราก็พอใจทําแต่งานแก้กิเลสนี้เราไม่ค่อยพอใจทําำทั้งที่ความคิดก็ว่าอยากทำเวลาเข้าถึงสนามลบจริงๆแล้วยอมแพ้ ย, ยกมือว่า้เขาจะเห็นยั ง, ยงไม่เห็ ยกได้ต่ อ, อยอือยกมือว่าดไดเด็กจริงมีแต่ความยอมแพ้เรื่อยๆมันจะหาชัยชนะมาได้อย่างไงเคยพูดซ้ำๆ พ, พักษฝุดแล้วฝเหลาเป็นเรื่องสติบังคับในที่ทุกสถานไม่ว่าจะบังคับเพื่อความสงบของใจไม่ว่าจะบังคับเพื่อการพิจารณาต้องมีสติกำกับความรู้ไปโดยสม่ำเสมอเพื่อความเกิดต่อต่อเนื่องกันไป สติตามไปถึงไหนความเพียรก็ไปถึงนั้นอาขาศสติเสมอความเพียรก็ไม่มีความหมายอะไรเลยสติจึงเป็นของสำคัญเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละแต่เป็นเครื่องรักษาจิตได้เป็นเครื่องบังคับจิตได้ตัวจิตเองมีแต่ความรู้เฉยๆอภิญญาให้ถึงขั้นละเอียดอาจจะทราบเองในคำที่ว่านี้น ทัศเป็นสิ่งที่ยิ่ยแยบยิ่ยแบเป็นสิ่งที่กเรเพื่อมออกมากับเพื่อนแล้วก็เป็นปทัศเติขึ้นมาแต่ความรู้นั้นเป็นธรรมชาติทั้งตัวเองมีแต่รู้เฉยๆรู้ไม่รู้ไม่รู้รจักว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูก จ, กจักแต่รู้แต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องบังคับจิตใจที่มีแต่รู้นั้นให้ทำนั้นทำนี้ ตามสิ่ง น, นั้นต้องการสิ่ง น, นั้นก็คือจิตเล็กกายก็คือเครื่องมือของจิตเล็กทําอะไรเราทำอย่างไปนั้นก็ไปไม่ได้เป็นกลางวันลกลางคืนไม่ไาพิจารณาถูกไม่ได้เราดีว่าชั่วประการใดความรู้สึกที่จิตเล็ดบังคับให้ทําสิ่งใดให้พูดสิ่งใดทำไปทำเรื่องพูดไปทำเรื่องเหมือน คนบ้าคืออยู่ตามถนนหน้นทางเราก็เห็นแล้วนั่นแหละคนมีแต่ความรู้เฉยๆไม่มีสติเราดูคนบ้าเขแล้วกันนั่นเรียกว่าสติไม่มีเลยมีแต่ความรู้จึงเป็นไปการยถากรรมอยากจะนั่งที่ไหนไม่ว่ากลางถนนหน้นทางไม่ว่าทีแไหนไฟเขียวไฟแดงไม่สนใจนั่งอย่างเหมือนคำประหนึนนห่งว่าอย่างสะดวกสบายอยากอิสระความจริงเขาไม่ได้มีความหมายล้วว่าเขาสะดวกว่าเขามีอิสระ ถ้เขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาก็เขาก็มีความรู้สึกในทางผิดถูกดีชั่วจะไม่มานั่งอยู่ในสดาสารที่จะนั่นได้เลยเฮียพี่ก็เป็นพ้อมนบจากเพียงความรู้แล้วความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่มีที่เด็ุ่มห่อซะอย่างเต็มตัวสติเรื่องเขาไม่ถึงเลยบรรดาเขาไม่มีให้ฮึงทราบเิีนี้ถ้าลงขาสติมากมากนั่งเป็นคนบ้านั่นแหละ ดูเอาคนเราธรรมดานี้ยังมีสติรักษาอยู่ตามสามัญชนธรรมดาตัวทั่วไปมีสติจะตามรู้จับผิดกับถูกดีชั่วถึงไม่รู้ลึกซึ้งจนกว่านี้ก็รู้อยู่เหมือนกันทั่วท่วไปนี่เรียกว่าคนดิไม่ใช่คนเสียสติไม่ใช่คนเป็นบ้าที่เราจะฝึกจากขั้นปกติของจิตนี้ จากขั้นปกติของสติที่มีธรรมดาให้เป็นขั้นของผู้ฝึกหัดอบรมปรากฏเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกหัดอบรมของตนเพื่อความมีสติมีสติขึ้นไปเรื่อยๆสืบต่อเนื่องมันไปเรื่อยสตินี้นเด่นขึ้นมาเรื่อยๆ เ, เพราะการฝึกแต่เพรายามยิง่งขณะภาวนา เป็นขณะที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลของรระหว่างกิเลส ก, กับสติมันเป็นธรรมประเภทหนึ่งมาต่อสู้กันหนาในขณะที่เราตั้งใจไว้อย่างเต็มใจว่าจะไม่ให้เผอไม่ให้จิตคิดตรงปัญหาใดไ ด, ได้ในขณะที่เราต้องการความโงกไม่ต้องการความคิดตูกเช่นทางด้านปัญญาเวลานั้นเราไม่ใช้ปัญญา เราต้องการจิตที่มีความสงบเราจะเอาความสงบเป็นพื้นฐานแห่งความสุดที่เกิดขึ้นมาในความคู่เวลานั้นเท่านั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งสติไม่ต้องไปคาดไปหมาย ก, กับการสถานที่หรือร่ำเวลาที่ไหนกับบุคคลผู้ใดเรื่องใดก็มาเกี่ยวข้อง ม, มีแต่ความรู้กับอารมณ์แห่งธรรมที่สมมติว่าเราบริกรรมก็ให้มีแต่ความรู้กับคําบริกรรม สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยเฉพาะเฉพาะเฉพาะไม่ต้องขาดหน้าขาดหลั ง, งกันแยกจากทางซ้ายทางขวาทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันตกตะนออกที่ไหนและให้มีแต่ความรู้กับทำที่คือความบริกรรมที่สัมผัสกันยับยับและไม่มุ่งหมายไม่ขาดผลอาจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเลยแม้นิดก็ไม่ไปคาดมีสติจําเพราะหน้านะท่านียกสติจําเพาะเพาะหน้า นมสติประธานท่านแสดงมาสติก็สักแตว่ว่าตังนี้นี่สติมัตายะน่นอนนาสติประารสติมัตตาเือสักแต่ว่าสตาินั่นะอัติกายูกายมีอยู่ กายโติอาิเวรนาสติอาทิจิตังติอาทิธรรมาติเอเป็นต้นนการีอยู่เวทนานนจิตนีอยู่ธรรมมีอนักัดแต่ว่ามีเท่านั้นวัสดุกวอ น, นสติมาตายะล น, นาน ปฏิป ต, ติตาติเป็นยาคือให้ตั้งไอิติเข้าไปตั้งไว้กับจุดนั้นให้ทความเข้าใจว่ากามีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมปฏิโติิายว่านนสติปฏิติโติิเวาิเหมื อ, ม อ, อ, น, ม อ, อ น, นกันมาบรยเดียวกัน หยิบมายองนี่มันจำไม่ก็ได้ผมก็คิดว่ามาเลยต่อเลยไปได้เราไม่คล่องแค่วํนานั่งทำบาหลีแต่ดรืเนื้อความที่แปลก็อย่างที่ว่าต้องศักจะรูน้ำธรรมนั้ น, น, นท่านไม่ให้ยึดไม่ให้หมายใกลมายไหมายนอกไม้อันใดทั้งหมดอันาไม่จำอะไรทั้งสท่านั้นไม่มีท่า น, น เราจะได้ทราบมาสติเตือนเาจะทนตัวได้ไหมการความพยายามของเรานีแจะทรงตัวได้ไหมพอให้สติจิตเนื่องกันใ น, นขณะมรรคการเผลอติดต้องคุงยักทันทีแต่ไมนเธอมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าผลักดันออกมากำลังมาเป็นลักษณะจะผลักดันให้ ล, ลืมให้ ล, ลืมยกกระเพื่อมนนแยะสติมีแล้วมันเข้าใจขนาดนั้น การกระเพื่อมแยกพอกระเพื่อมแยกออกมานี่มันก็เป็นเรื่องเปนราวเป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องผู้นั่นผู้นี้เรื่องนั้นเร่งนี้ขึ้นมาพอทั้งขานี่ยยัดขึ้นมาได้สัญญายิ่งเป็นความละเอียดทั้งหมดทั้งขานมันมันซื่อออกมาเป็นเรื่องเปนราวเลยความหมายของมันไม่ต้องมันจะเป็นต้อ ง, งรกระเพื่อมทัญญาและยัดขนาดนี้แต่งก็ไม่เหนือสติไปได้เลย สติจะทราบทุกอาการของขันนามาขนันเวทนาสั้งอยากทั้งขันทัน้งอย่างแสดงอาการอย่างละเอียดขนาดไหนสติจะการถึงรู้ถึงเมื่อมีสติควรจะรู้ถึงถ้าไม่มีสติจะรุมวันยั่งคำ่สำสาคัญมันหมายถึงอย่างหลุดยึดมั่นถือมัน่นจนยกไม่ขึ้นหลังจะหักมันก็ไม่รู้ถ้าไม่มีสติ สติจิงเป็นสาคัญมากสิเดียวเราพูดอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องสุขสั ด, ดเพราะการปฏิบัติาเรื่องดําเนินทั้งเปิดเผยมีปิดเผยพร้อมกิเลสถ้าไม่ได้พูดสติแล้วเราพูดไปไม่ได้เหมือนกับว่าขาดทำอันใหญ่หลวงเดียวสติเป็นของสำคัญมากการปฏิบัติมาสติเป็นพื้นเป็นฐานอยีกแลอว ปัญญาจะเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของปัญญาได้อย่างแท้จริงก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ควบคุมงานในการพิจารณาเพราะการพิจารณาในเบื้องตน้นปัญญาจะไม่ค่อยเห็นผลห็นประโยชนไม่เห็นคุณค่าของการพิจารณาทางด้านปัญญาเท่าไรนักจึงต้องอาศัยสติเป็นผู้ควบคุมนในงานที่กําลังพิจารณาอยู่นั้นจนกว่าปัญญาจะได้เห็นได้ผลแล้วเห็นคุณเห็นโทษ ไปโดยลําดับลําดับแล้วปัญญาก็ตั้งหน้าเดินส่วนสตินั่นก็ต้องแนบกันไปโดยลำดับเฮ้สติปัญญามันเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคงคืนกันพอเรื่องอะไรมาสัมผัสแยกสติก็เท่ากันมาปลุกสติให้สติรู้รับรู้พร้อมกับความรู้นะแ้าปัญญาก็ตามกันตามกันตามกันไปเรนี้เหมือนการปลุกสติ มีความละเอียดไปโดยลำดัล บ, บลำบากยังไงอจได้นนรับความส ง, งบอีกก็เยือกเย็นอารมณ์ที่ส่งไปตามรูปเสียงเลิ่นนดเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นมาดั้งเดิมนั้นให้พูนทราบว่านี่อารมณ์แห่งความเป็นไฟจะมาเผาล้นจิตใจของเราให้เดือดร้อนวุนวายใช้ยาฆ่ายาขามอ ย, ยาเสียดายไปคิดไปปรุงกับสิ่งอย่างนี้นสิ่งนงนี้เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟ เข้ามาผลาญจิตใจของตอนโดยแท้ให้ระมัดระ ว, วัเคียดแต่คิดอยู่ภายในวงอัดวงทำที่จะเป็นเครื่องเป็นเครื่องเคื่อหรือกอดขันที่เหลือโดยลำบากเป็นเชื่อเป็นเพื่ อ, อ, อ ป, ปฏิบัติเพื่อกำจัดที่เหลือไม่ใช่เพื่อสั่งสมงทเหลืขึ้นมาด้วยความคล้อยตามด้วยความอ่อนไปตามเขาเคียดทุกสิ่งทุกอยา่างไม่เรียกเราผู้ประกอบความเลียนไม่เรียกเราผู้ปฏิบัติ เรากล่าวถึงเรื่องสมาธิหรือความสงบหรือการที่จะให้จิตมีความสงบผูกกำหนดอนาปานนัิก็ให้รู้อยู่จําพอลมยาไปภาคไปหมายใดใดทั้งสิ้นผลจะเกิดขึ้นอย่างไรลมนี้จะไปยังไงมาอยัางไรยังไม่ถึงการที่จะวิภาควิจารเยาะเยะเรื่องลมเรื่องอาการต่างๆเราไม่ต้องสนใจถ้าต้องการความสงบก็ต้องพิจารณาอารมณ์ของสมาธิ คือไม่คิดไม่ตุงเรื่องอะไรจ่ออยู่ในจุดเดียวนั่นเรียกว่าอารมณ์ธรถะอารมณ์เพื่อความสงบของจิตวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงประเดยลําดับนี้นนั่นคือการใคล้วคลุกนีพิจารณาทางหน้าธรรมยาถึงการทุเวลาที่จะพิจารณาทางห้านปัญญาแล้วก็ไม่ห่วงความสงบเวลานี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเวลานอนก็นอนจะให้สบายเงี่ยเงสงบอารมณ์สะดวกสบาย เวลาตื่นขึ้นแล้วนี่จะทํางานแล้วเวลานี้ไม่ต้องไปห่วงนอนทํามันลงไปแดดก็ตามฝนก็ตามเงีเราพอทนได้แล้วเราสู้ทั้งนั้นนอกจากมันร้อนก็จะเป็นดเ ป, นปทนไทนม่ไหวก็ต้องเข้าร่มพักมันหนาวถ้าจนสะบ้านตันไปหมดทั้งตัวทํางานทําการอะไรไม่ได้ก็ต้องเข้ารม่มพักตามการตามความจำเป็นการีปัญญาก็เหมือนกัน เรามัน ห, หมุนไปก็เป็นเลยเฉียดเลยเดนกระเดิดเปิดตมงล้วก็ยัางกลับมาเสียาหากรู้ผู้ปฏิบัตถ้ามีผู้แสดงให้ทราบล่วงหน้าไว้แล้วอย่างนี้เวลาไปตากรดขึ้นพันในตัวเองทำที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแสดงไว้นั้นจั วิ่งเข้าประสานกันทันทีแต่ขณะที่จิตนเวลาจิตของเรายังไม่เข้าใจไม่เห็นผลในสิ่ง น, นั้นดังที่ท่านกล่าวนี้มันก็จําไม่ได้พอเรื่องของเราได้ปรากฏขึ้นมาในลักษณะนั้นแล้วมันจะวิ่งเข้าถึงกันทันทีทันทีมันเป็นเช่นั้นถึงว่าหน้าที่ปัญญาจะพักตัวเองทางด้านสมาธิเจ้าของก็รู้เองแล้วย้ำย้ำปัญญาให้พักได้ ทำงานคนลวัแล้วต่อนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องสติไม่ควรให้ห่างเหินจากตัวเองไม่ว่าจะทําจิตการ ง, งานอันไดก็ตามให้พยายามระมัดระวงังให้มีสติอยู่กับตัวไม่อยู่ในกับไมคําบริกรรมก็ให้อยู่กับความเคลื่อนไหวของตัวเป็นสัมปะชัญญะอยู่ในตัวเองออกจากนั้นพอที่จะเข้าถึงบทใดที่ตนเคยพิจารณาเคยบริกกลังก็ต้องเข้าอีนั่นเป็นบทเฉพาะ จิตจะอยู่กับมบนั้นอยู่กับอารมณ์อื่นร้อนถ้าอยู่กับคําบริกรรมไม่ร้อนเพราะคาบริกรรมเป็นบท ธ, ธรรมเป็นเครื่องช่วยจิตใจให้มีความเยอือกเย็นเป็นสุขอารมณ์อย่างอื่นมันเป็นฟืนเป็นไฟเป็นคลิษอันร้อนทําความเข้าใจกับตอนไว้อย่างนี้เสมออย่าไปพุ่นดับไปฝันิดติดใจกับอารมณ์อ้าวลูกเสียงตื่นรถเครื่องน้ําผัดซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟมา ดั้งเดินอยู่แล้วกับตัวเองสร้างได้ทุกคนเวลา น, นี้จะมาแก้ไขาสิ่งอย่างนี้ยิ่งไม่ควรไปสนใจซึ่งเป็นการขัดข้องต่อธรรมและความคิดเช่นนั้นเป็นการส่งเสริมกิเลสเพื่อทําลายธรรมที่ควรจะได้ถึงตัวเด็เงไม้เสียไปต่างหน้าต่างตาธรรมต่างจิตต่ามรรคผลอิพานนันมีอยู่กับหัวใจนั่นแหละอย่าไปสงสัยที่ไหนให้เสียให้ร่ำเวลาผ่าน นานลงไปหีนก็คือทำากส่วนใหญ่านทาชื่อว่าหีนเมื่อทำ้เขา่าวถินใจแล้วหินก็ไหลเข้ามาสู่ธรรมนิสเียยิ่งทำกับใจปเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วหีนมีหรือไม่มีก็ไม่ไม่สนใจหากรู้ความควรไม่ควรกับตัวเอง เป็นอย่างนั้นแต่สมาธิคือความสงบใจหรือความมั่นคงของใจก็ต้องให้มั่นคงไปตั้งแต่ตุคือทำจริงจังทําด้วยความมุ่ง ม, มั่นต่อผลคือความสงบเย็นใจจริงๆเอาจริงลอยจังนี้เป็นสมาธิต่างแล้วความสงบใจอันเป็นส่วนผลก็ปรากฏขึ้นมา อยู่กับใจดวงนี้แหละจะดูที่ไหนเอพระเจ้าองค์ไหนกับสอนลงที่ใจเพราะที่เละอยู่ที่ใจค่าสุดอิูที่ใจจะไปสอนที่อื่นแก้ที่อื่นผิดกับความจริงอาจารยสอนลงที่นี้สมาธิทุกขั้นจะปรากฏขึ้นที่ใจของนักภาวนาปัญญาทุกภูมิยือความสี่เยือกฉลาด ในการาแยกแยกพิจารณาเรื่องภาพเรขันแต่จริงอนนจังก่อเห็นทัศพื่อปัญญาทุกครั้งก็เห็นทัศหน้าตาในขันทั้งห่างก็เห็นทัศ์เพื่อปัญญาจริงจริงแล้วมันก่อยวางเองถ้าลงปัญญาด้วยซึ่งเข้าถึงจิตใจกับซึ่งต่อความจริงทั้งหลายอย่างเต็มตัวแล้วไม่ต้องหบอก เ, เรื่องความปอดถอนความทิมันถืิมันถอนมาเอง เท่าที่ยึมั่นถือมั่นเราก็ไม่ต้องการอย่างที่จับถือแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจอํานาจของพิเรศมันมีความมีมากกว่าเราเพราะทำสอนไปยังนี้ิเลศเรียมสอนไปยังเรามันเคยกับพิเรศมันนานพิเรศเรียมสอนเพียงบทเดียวบาทเดียวเราเชื่อแล้วจนทำกี่บทกี่บาทมันก็ไม่ถึงใจเพราะพิเรศมีอำนาจมากกว่าจึงเองประทางพิเรศเสมอดีไม่ดีล้มไปกับทางพิเรศโดยม่รู้สึกตัว นี่มันเึงยากตรงนี้ในขณะที่จะแยกกันออกระหว่างจิตกับพิเลศนี่มันก็เหมือนกับแม่เหล็กดึงเหล็กออกจากแม่เหล็กมันดูแม่เหล็กมันมันใหญ่โตมีกําลังมากรถยนตทั้งคันมันก็ดึงดูดเอาไว้ไ่ะขยับขยื่นไปไหนไม่ได้เพราะแรงของความดึงดูดแม่เหล็กจิตกับพิเรศพิเรศมันเป็นแม่เหล็กสําคัญมันดึงดูดจิตมันไว้ให้แยกตัวออกมาสู่อัตสุทําเลย ในย่งขั้นนึงนี่ยมันหนักขนาดนั้นจึงต้องใช้กำลังฟังตาเอากพืความรู้แจ้การต่อต้ต้องเอาเป็นเอาตายเข้าว่าสิ่งงความอัศจรรย์ที่มาภาในใจหลังจากนั้นไปแล้วกค่อยเบาลงไปเบาลงไปแต่เรื่องความภาพเทียนนี้ต้องหนักไปโดยลำดับตามขั้นตามภูมิของจิตเรมีมากมี น, อน้อยต้องทำงานประเดินอันนั้นต้องหมุนไปอยู่อย่างนั้น มีต้นทุนพันาใจแล้วก็ผอมหมุนกันไปคือจิตใจก็มายุ่งร้อนจิตใจมีความสงบเย็นไม่คิดไม่หุญว่าไม่แสบสายะหาเรื่องโลกเราสงสารมีหรือัปล่าหมุนเตี้ยวอยู่กับการถอดถอนที่เด็ดอาสวัตต่างๆจึงมันแทรกมันสิงอยู่ภายในขันทั้งห้านี่อะ่ะปุ่นยังไงแทรกอยู่ในจิตก็ในในกายว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นไงเจริญนาเป็นเราเป็นของเราทั้งสุขทั้งทุกข์อะไร เฉยๆ เ, เกิดขึ้นมามาทั้งทางส่วนร่างกายและทางจิตใจก็มาเพระว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะความไม่เขา้าใจความไม่รู้มันก็ส่งยึดปัญญาทั้งขามีญาตแต่ละอย่างละอย่างถือว่าเป็นเราเป็นของเราไปหมดทีนี้แย่แย่ด้วยสติปัญญาให้เห็นจแจ้งแจ้งสติแล้วมันถอยตัวของมันเองที่เดี๋ยวไม่มีที่ซ่อน จ, จะไปซ่อนอที่กายก็เลยพลังงานปัญญาก็ปราบกามกวาดต้อนออกมาหมดแล้วแต่ไปแย่อยู่ด้วเวทนาทางกาย ปัญญาก็วาดต้อนมาหมดแล้วเห็นชัดเจนเลยปัญญาสังขารมีญาปัญญาประการพ้นจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วมันมีที่ไปมันก็ไหลลงเข้าสู่จิตเท่งนันเองอตัดสะพานทั้งมัมันออกมาติดต่อจุดเนื่องกันจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ตะล่อมมันเข้ามามาอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารมีญาของเราปัญญาก็ตะล่อมตัวผ่นานเมื่อถึงขั้นตะล่อมเมื่อถึงขั้นกาบกลาง เมื่อถึงขั้นถอบถอนแล้วปัญญาต้องทําหน้าที่เป็นผู้ของตัวเอ ม, มีการที่จะแบ่งนับแบ่งสู่เป็นก็เป็นตาของตายขอใรู้ให้เข้าใจในสิ่งที่ตนจะพวรรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้ในสิ่งที่ตนอยากละละได้ถอนได้เป็นที่พอใจตายก็ตายหนะักเมื่อถึงขั้นหนักแล้วมันต้องหนักปัญญาเพราะมันต้องหนักตามความเพียรดูที่ไหนก็เป็นความเพียรก็่จะออกมา นีเลยถูกตัดสะพานเข้ามาตัดสะพานเข้ามาไปหลบท่อนอยู่ในอะไรก็ถูกไล่กวาดต้อนเข้ามาเข้ามาสุดท้ายจะมาอยู่ในขันไล่ในขันนี่แล้วสุดท้าก็ดิ่งเข้าสู่จิตกระแสนี้หมดไปเหลือแต่ตัวจิตนี่เลยไม่มีทางเดินเป็นการคิดถ้านี่ย ขึ้นถือว่าปัญญาแล้วเชื้ออยู่ที่ไหนก็ต้องการเข้าไปเกได้จนหมดเชื้อหมดเชื้อจนหมดที่ไหนเชื่อมความเกิดกับฝังอยู่ที่สิตวิชาปัิญาสร้างฆาราอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่สิตวิชาวัตถเวรวาเสวะสุจาระวิโรธาสร้างฆารดาอยู่ทุนฉันดับด้วยวิธีใดถ้าไม่ดับด้วยปัญญาปัญญาได้เข้าถึงตัวจริง เฉพาะพิเรตเป็นจอมกษัตริย์จอมมัตตจักรซึ่คมคืนกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันจนไม่สามารถจะแยกได้มันก็แยกได้เมื่อถึงขั้นกติปัญญาที่ควรแยกได้แล้วรอไม่ได้ว่าฟันผันแหลกแตกกระจาย ม, มันมีชิ้นได้ที่เหลือขึ้นชีว่าชิ้นแห่งส ม, มตุติแม้ปรมาโนไม่ ม, มีเหลือเล นั่นมันถึงจะหมดปัญหาแต่ว่าชัยชนะก็เป็นภูมิจริเป็นที่ภูมิตายความเพียรเราสละชีพมาเอาเป็นอาตาเข้าว่ามาเดินบัตตั้งแต่เริ่มประโยชน์ทุอย่างมาจนทั้ง ท, งทังบัตรนี้ได้ถึงความสมบูรณ์แล้วความมุ่งมั่นได้เส้นจริงเสร็จสําเร็จลงแล้วในบัตรนี้ทีนี้ความมุ่งมั่นต่อไปนั้นอีกหมดปัญหา ความเพียรเพื่อรักกิเลส ต, ตัวใดก็ได้ละไปหมดแล้วความเพียรก็เพื่อรักกิเลสก็หมดปัญหากันไปความมุ่งมั่นเพื่อรู้แจ้งห็จริงในมรรคผลนิพพานก็ว่าด้วยนั้นทำอันตึงยอดทำก็แล้วแต่จะจบก็หมดปัญหากันไปพานาทั้งหมดที่เคยสู้กันแบบ เป็นแบบตายก็ามายุติการลงที่ตรงที่ค่าสึกคือกิเลสมันหมดไปจากใจนี่ไงเพราะฉะนั้นความเพียรทั้งมวลจึงเป็นความเพียรเพื่อฆ่าที่เลสต่อสู้กับกิเลสโดยถ่ายเดียวเมื่อกิเลสได้สิ้นสุดลงไปจากจิตใจแล้วความเพียรทั้งมวลก็เป็นอนามายยุติการลงได้โดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติเป็นอิสระนั่นแหะคุ้มค่า ควาเพียรที่ทุ่มเทมาเอาชีวิตเข้าเป็นตัวประกันเป็นตัวประกันก็คุ้มค่าเงานของการปฏิบัติทํางานงกรรมฐา น, นแม้จะเป็นงานอันยิ่งใหญ่กว่าตามแต่ยังมีเวลาสิ้เสร็จสิ้นงนงได้งานของโลกจะเป็นงานยิ่งใหญ่หรือไม่ใหญ่กว่าตามแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดได้ทํางานของโลกให้สำเร็จเสร็จขึ้นไปแล้วค่อยตายไ ป, ไปนี่แต่ตาไปกับความพลุ่งพลังกับ าที่การงานของตนที่ทำยังไม่เสร็จทั้งนั้นไม่มียกเว้นแม้ตัวเซนเดียวเลยเรื่องของโลกที่นั้นแต่ว่างานใหญ่นี้ไม่ใหญ่โลกเรายังจะอาภานอยากจะได้สู้กับงานของโลกอยู่เลยที่นานทโลกไม่มีผู้ใดาลายใดตัดตัวใดบุคคลผใดที่จะกระทมงานของโลกให้สำเร็จเสร็จสิ้นนลงไปหมดพระหน้าที่การงานทุกสิ่งหายห่วงแล้วตายไปได้วยสุคติเป็นที่หลังไม่เคยปาก มีแต่ตาพด้วยความหม่วงความใยแบบภาร ะ, ระทุลังเป็นั้งหมดในหัว ใ, ใจเพราะงานในสมัยทำทั้งหนเังือนทั้งปฏิบัติศาสนางานของเราที่ทํานับตั้งแต่เจริญสายลมาณขาชนะะตาตะตูที่ท่านเรียกว่ากรรมฐ า, านแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานอันสำคัญเราเริ่มมาตั้งแต่เจริญสายลมาณขาชนะะตาตะตูที่อุปชายะท่านมอบให้ในวันบวชด้วยไปโดยลำหนักมีเป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสม ถ้าเป็นงานใหญ่โตมากจะทําเล่นๆไม่ได้ต้องทําอย่างเอาจินเอาจังเป็นก็เป็นตายก็ตายเพื่อทำมันพิเสศษเพื่อหลุดพ้นจากทุกข์เป็นที่พอใจงานนี้เราค่อบขยายตัวไปเพื่อเราครับแค่แค่แค่แค่นิดเดียวเพราะท่านสอนให้พอดีกับกําลังของผู้เริ่มฝึกหัดใหม่เช่นเสสาหรือลมานี่ล่ะขาและตันท่าตันจ่าตะโจจะอาวมดได้แดดต้ก่อนแล้วแต่เอาแค่นั้นแหละที่จะมา ขึ้นขึ้นล ง, ล ง, ลงพิจารณาอันรวมไปรวมดังนั้นรือจะเอาเพียงบทใดบทหนึ่งก็ได้เพื่อมาให้มันกว้างขวางและมันสั้นเสือจนเกินไปจแล้วกําลังของตนที่เพื่มเต่มเอาจนได้เห็นได้ผลกับงานนี้ยากก็จะค่อยขยายตัวไปเรื่อยงานก็เป็นวงกว้างไปเชื่อกาหนดที่ขาทีาท่ขาลิลโลมาลงลโมาหรืตะโจจะโจเพียงเท่านั้นน่ะต่อไปตะโจนี่มันหุ้มหมดทั้งตัวนหนักเห็นไหมความรุ่มจะสร้างจะรอบตัว เอาเวลาถลกหนังแล้วเป็นไงคนทั้งคนนั่นเริ่มกระจายนะพีมื่อเข้าสำคัญกัณดาถ้าหลกหนังแล้วดูกันได้ไหมคํามสวยของงามมีไหมเมื่อวานทั้งหญิงทั้งชายจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาวไวัยไหนกระจายเมื่อเอาหนังออกแล้วดูกันได้ไหมดูไม่ได้เลยมีมมแต่เมื่อแมงวันเทนั้มันจะมาดูคนนี้ดูกันไม่ได้แล้วดูเข้าไปลึกเข้าไปไลเข้าไปเรื่อยๆ งานของเราขยายไปเรื่อยอย่างนั้นจกนกระทั่งดูอย่างตลอดทั่วถึงแล้วก็หายเห่วงไปเองหายห่วงไเองแม้ว่าชิ้นใดชิ้นใดถรงสติปัญญาไนดะ้ตามไปตามไปพอเข้าใจแล้วปล่อยวางปล่อยวางผลทุกท้าก็จะจะทำอย่าปล่อยไปปล่อยวางที่ใจปล่อยวางที่ใจแล้วก็เป็นมุสิตังกันมะกับเรื่องเสร็จแล้วธมจันทร์ได้อยู่เสร็จแล้วงานทั้งมวลที่โดยอุตสาหธรรมมา หลังงานกรรมฐ า, าน้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในขณะนี้ในขณะที่ปรงการะอันใหญ่หลวงพามนจิตใจจาก น, นั้นก็หมดปัญหากันไปนนนมีหาัง่านมายึดติดที่นี่มีเวลาเสร็จสิ้นลงได้งานทางศาสนางานแก้งานตัดถอนไิเลยแต่งานทางสมกิเลศหาความสิ้นสุดไม่ได้เลยจะมาทั่งวันตายาตาแ้า ก, กับกิเลสเกิดแล้วก็มากับกิเลสอยู่กับกิเลสทุกข์พรกิเลส เป็นหนึ่งนั่นดนะ้วยมาไม่ว่าจัดระ้บุคคลผู้ใดเราจะเห็นที่จะประกอบความเปลี่ยนนทำมาเราจะไม่เห็นไป็นขอจอาจารทําไมแม้แต่ไปอยู่ตรกนี้คิดจิตใช้ความคิดแยเทียบเคียมกันอย่างนั้นสริงแล้วจะหนีเหตุผลก็ได้ยังไง้สตปิปัญญาหว่างร่องบนเหนือมันก็ต้องยอมจํานึ่งจนนด้งานเนสร็จแล้วสบายจริง อยนี่นก็อยู่ไปร่าง ก, กายเราจะ อ, าอะไรก็มันถึงวาระมันก็ไปของมันมันไปทุทกขณะอยู่แล้วเราก็เรียนรู้มันหมดแล้วเป็นหัวงไปย่ายอะไรกับมันนี่อะไรทีว่าเรียนธรรมก็คือเรียนเรื่องตัวเองเรียนเรื่องของจิตเรียนเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเรียนเป็นหมดตลอดจนถึงแล้วมันก็หมดปัญหาปล่อยว่างลง เสียตั้งแต่ยังมันไม่ชีวิตเรหาใจยังไม่ปล่อยตัวเองแล้วปล่อยไปเพื่อก่อนอุปทานนะครับอุปทานไม่กิตอืมปล่อยไปทั้งหมดสบายเสียตั้งแต่ยังไม่ตายมันสบายแ ต, ตยยนสบายเหนื่อยละตอนนี้ไปท่านพญาอธิพย์บ้าน